เงนซึนตอนที่เชาวันที่เดินทางกลับนะมาที่นี่ก็ได้ดูข่าวนะข่าวตอนเช้านะมันเป็นข่าวที่เรียกว่าดังกันไปทั่วโลกเนะพราะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับความผิดพลาดนะใน การประกาศผู้ที่ได้รางวัลผู้ได้เป็นนางงามจั ก, กรวาลเรื่องการประกวดนางงามจั ก, กรวาลก็เป็นเรื่องที่คนไทยหรือคนทั้งโลกสนใจอยู่แล้วเพราะมันมีการถ่ายทอดสดอภิธีกรก็ ตอนครั้งสุดท้ายนะนาทีสุดท้ายก็ประกาศก็ทำถูกหมดนะทำทุกอย่างที่ดีหมดจนกระทั่งนาทีสุดท้ายก็ไปประกาศชื่อคนที่ได้ตำแหน่งนางงามจั ก, กรวาลผิดคือที่จริงแต่ต้องประกาศชื่อคนที่ได้อะไรเรียกว่าอะไรรองอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นโคลอมเบีย ก็ไปประกาศวา่าโคลอมเบียได้นางงามจักรวาลโอ้นางงามโคลอมเบียก็ดีใจโนะบกมือยิ้มปันให้ผู้คนในห้องประชุมแล้วก็ยิ้มให้กับกล้องเสียงโห่ร้องดีใจก็ดังทั่วห้องประชุมสักพักพิธีกรก็เดิน เดินหน้าเศร้าเลยนะออกออกมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะผมขอโทษพอดีครับว่าขอโทษนั้นแหละนะนางงามโคลอมเบียก็ชะ ง, งักเลยถาน ม, มามองหน้าพิธีกรวนะ่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพิธีกรก็บอกว่า ประกาศชื่อผิดคนที่ได้จริงเนี่ยโคลอมเบียต้องเป็นรองอันดับหนึ่งส่วนนางงามจั ก, กรวาลคือฟิลิปปินส์ก็คนก็ตกใจเป็นใหญ่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนางงามโคลอมเบียก็หน้าถอดสีเลยพูดอะไรไม่ออก ยิ้เกิดกิดลังยิ้มอยู่ก็ยิ้เกิดยิ้มค้างนั่นแหละและพิธีกรก็บอกว่านี่ผมผมเป็นความผิดของผมจริงๆนะเพราะว่าอ่านอ่านโพยผิดแล้วเขาก็ชี้ให้ดูโพยโพยมันก็ชัดอยู่แล้วนะว่าอันดับรองอันดับหนึ่งก็คือโคลอมเบียส่วนรางงานจั ก, กวาลคือฟิลิปปิน ก็ขอโทษขอโพยก็กลายเป็นข่าวใหญ่นะมีการพูดกันในเรยกว่าเป็นเป็นประเด็นสนทนากันนะทั่วไปหมดนะในสื่อในเฟซบุ๊กในอะไรต่ออะไรก็มีเรื่องนี้มันก็น่าคิดนะเออพลาดได้ยังไงนะ เพราะว่าจริงๆตามลำดับของการประกวดนี่มันก็ต้องมันก็ต้องมีการเช็คแล้วเช็คอีก ต, ตัวอักษรข้อความมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เป็นไปได้นะว่าคนเรานี่บางทีมันก็หลุดหลุดได้เหมือนกันความ ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งมันมันไม่น่าจะผิดพลาดก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นมันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดได้มันก็มักจะเกิดขึ้นเสมอทั้งที่มันไม่น่าเกิดอันนี้มันมีมันมีคนพูดเอาไว้ว่าอะไรที่มัน ผิดพลาดได้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เล็กๆ น, น้อยๆหรือไม่น่าเกิดขึ้นก็ต่างยังจำได้สมัยตัวเองตอนไปอยู่วัดอมาราดีประเทศอังกฤษเมื่อกี่ศตวรรก่อนก็มีช่วงหนึงที่ไม่มีพระผู้ใหญ่เลยพระผู้ใหญ่ก็ไปประชุมกันที่ ท, ที่ไหนสักแห่งสวิสมั้ะ ้ผมนี่ก็เป็นพระที่อาวุโสอาที่สุดเก้าพรรษาวัวนวันพระหรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาก็จะต้องทำหน้าที่ให้ศีลส่นสวนเป็นวันอาทิตย์มั้งคนมากันเยอะนะทั้งไทยทั้งต่างชาติอังกฤษลังกาก็ให้ศีล พอพอพูดว่าเนี่ยตติยมปิสังคังสรารังกชามินตามระดับต่อไปก็ต้องปานาติ ป, ปาตานยนะเราะว่าผมไปโน่นเลยนะสีเลนสุกติมยันติสีเลนภพกสัมปทาปานาติ ป, ปาตายหรือว่าอธินาธานานี่โดดข้ามไปเลย พระนี่งงเลยนะพ่อเขามองหน้าเ้วก็เลยนึกได้เราข้ามไปได้เนี่ยก็เลยว่าผิดพลาดการท่ามกลางที่ประชุมก็เลยงงนะพลาดได้ยังไงมีขาวนึงไปบาหลีกับหลวงพ่อนะขากลับก็หลวงพ่อ ก, บกับวัดก่อนนะ ผมก็ทำธุระที่กรุงเทพแล้วก็พอได้เวลาก็กลับวัดก็ขึ้นรนถบขสนั่งรถทัวร์ก็ใช้เวลารออยู่เป็นก็นานทีเดียวนะรอรถรอรถเข้ามาตอนนั้นก็มีย่ามใบหนึ่งกับย่ามกับย่ามใหญ่ใบหนึ่งวางนั่งวางอยู่ข้าง วางอยู่นเก็อี้แหละคนก็เยอะมีย่ามสองใบย่ามสะพายกับย่ามที่ใส่ของพอได้เวลารถเข้ามาก็ขึ้นรถเลยพอรถออกไปได้สักพักเนี่ยคงอยู่แถวแถวหลักสีมงก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืม เอาย่านอีกใบหนึ่งทิ้งไว้ตรงนั้นแหละตรงเก้าอี้นั่นแหละเลยต้องรีบลงเลยนะพอดีรถติดพอดีนะรีบลงจากรถทัวร์กลับไปที่บสอไม่น่าเชื่อนะย่านยังอยู่เลยทั้งที่มันผ่านไปครึชั่วโมงแล้วคนก็เยอะปกติถ้าของทิ้งไว้เนี่ยมันก็ เกิดจะลอยทั้งลอยก็จะหายแต่นี่ยางมัยังอยู่ก็มันนึกด้วยเราเดินทางมันก็เยอะนะก็ไม่เคยไม่เคยหลงไม่เคยลืมพวกสัมพันธ์ละนี่ลืมไม่ได้ยังไงบางทีมันก็หลุดเนะมันพลาดไปแบบที่ว่านึกไม่ถึงบางทีมันก็เป็นเรื่องความความประเภทว่า นึกไม่ออกอย่างล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วไปไปบรรยายที่โรงพยาบาลนธิยาอำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนวิธยาก็เรียบร้อยดีทุกอย่างถึงเวลาสุดท้ายก็ชวนคนแผนเมตตา ปกติเราก็จะแผแ่เมตตาให้แผแ่เมตตาพร้อมพอมกันไปทั้งพระทังโยมก็แผแ่เมตตาเอ่อยคำพร้อมพอมกันแต่ว่าในบางที่นี่เขาเขาจะนิยมให้พระพูดนำก่อนแล้วก็โยมว่าตามพอมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยสุขีอัตตนังปริหารันตุ นึกไม่ออกว่าแปลว่าอะไรตามมาด้วยอะไรหรือต้องตามด้วยขอมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินคนนึกไม่ออกว่ามันว่าอะไรอื้นอยู่ต้องนานสุดท้ายก็ต้องว่าเอาเองคิดเอาเองก็มันนึกว่าทำไมนึกไม่ออกแต่อยี๋ยนี้ก็เป็นบ่อยนะเพืพอพูดพูดไป หรือพอสวดๆไปนี่นึกไม่ออกแล้วข้อความต่อไปคืออะไรอันนี้มันไม่ใช่หลงนะแต่มันแต่มันนึกไม่ออกว่าไอ้สุขีอตตนังปริหาราตุนตุนี้มันจะต้องต่อด้วยอะไรก็อึ้งอยู่นานสุดท้ายก็ต้องดำน้ำอันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันนึนกๆดกมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอนะเพราะฉะนั้นในไอ้ข่าวไอ้ความผิดพลาดพิจิกรในเมื่อเมื่อสองวันก่อนนี่ถ้าดูให้ดีมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ประหลาดพิสดารอะไร มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเพียงแต่ว่าความผิดพลาดบางอย่างนี่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่เหมาะนะ่นไปผิดพลาดตอนที่มีถ่ายทอดสดคนดูเป็นสิบสิบล้านหรือปุ๊บๆจะเป็นร้อยล้านแล้วก็มาผิดเอาตอนที่มันเป็นประเด็นสําคัญเป็นคลมคิมแอธรรมดีตลอดนะคนก็ชมนะ พิธีกรคนนี้เป็นคนผิวดำเป็นดาราตลกนะแต่ว่าพอตอนสุดท้ายมันหักมุมก็เรียกว่าทั้งหน้าแตกแล้วก็เสียหายต่อวิชาชีพของตัวพอต่อไปคนคงไม่กล้าไปเชิญเชิญมามาทำรายการแบบนี้นะ เพราะว่าคนไม่ไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือหรือคนเห็นแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกไปเรือแบบนี้นะอย่างที่บอกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะหลุดในเรื่องที่มันไม่น่าจะหลุดได้ซึ่งในแง่นี้มันก็ ก็เตือนเราว่าต้องอาศัยความระวัระวังความมีสติพยายามมีสติอยู่เสมอเพราะว่าโอกาสที่มันจะหลุดมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่จริงรวมถึงโอกาสที่มันจะเกิดอะไรที่มันหนักกว่านั้นด้วยเช่นความครั้งเผลอจนกระทั่งทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นเดิน ตกบันไ ด, ดสะดุดขาหกล้มหัวฟาดพื้นตายหรือขี่จะมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผิดพลาดขึ้นมาอย่างที่เร า, าอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันเรื่องชาวบ้านเด็กชาวบ้านความตายแล้วก็ความผิดพลาดมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเผลอ ถ้าไม่ระมัดระวังมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นดนั้นความระมัดระวังความใส่ใจนึงเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ปัญหาก็มีนะถ้ารามัดระวังมากเกินไปมันก็เกรง็งพอเกร็งแล้วว่ามันก็ทำให้สมองตื่อได้เหมือนกัน อย่างเวลาสวดมนต์เนี่ยนะถ้าเราถ้าเกิดสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจมากเกรงมากนี่มันก็สวดผิดสวดพลาดได้เหมือนกันนะมันต้องอาศัยความพอดีพอดีเรียว่าละเลยก็พลาดหรือว่าตั้งใจมากก็ผิดอันนี้พวกเราคงเคยมีประสบการณ์เดี๋ยวว่ถ้าเกิดว่าถ้าทำอะไรอยู่ ถ้าอยู่คนเดียวต่อนหน้าผู้คนเนี่ยมันก็จะตั้งใจมากพอตั้งใจมากก็คือความประมาทนักกีฬาที่ตั้งใจมากก็เล่นไม่ออกเช่นเวลาจะเตะลูปโทษหน้าประตูเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะง่ายเลยทำให้กลายเป็นยากนะเพราะว่าง่ายก็คือว่า แต่มันก็ต้องน่าจะเข้าเพราะมันง่ายแต่ถ้าเกิดไม่เข้าล่ะไม่เข้าถูกดา่าก็เลยพอคิดแบบนี้ก็เลยทําให้ทําให้ตกทําให้เกรงทําให้ต้องตั้งใจมากพอตั้งใจมากก็เลยเตะไม่เข้าก็จึงบอกว่าเวลาแข่งนี่ให้แข่งเหมือนซ้อมนะแต่เวลาซ้อมให้ซ้อมเหมือนแข่ง แข่งเหมือนซอมนี่มันทำให้ใจสบายมันนี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องความพอดีก็สำคัญนะไม่ตั้งใจก็ผิดตั้งใจมากก็พลาดแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะการการฝึกอยู่เสมอให้มีความระมัดระวังนะให แต่ก็มีความระมัดระวังแต่พอดีพูดถึงกรณีพิธีกรคนนี้เนี่ยในแง่งเขานี่เคยคิดว่าผมจะเป็นความซวยที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะแน่นอนมันก็เป็นความผิดพลาดของเขาแต่ขณะเดียวกนันก็เป็นความ ความสวยที่ไม่รู้จะที่ไม่คงจะไม่มีเป็นความสวยความเสียหายที่ร้ายแรงแต่มองให้ดีนะมันก็ยังยังดีที่มันไม่เสียหายมากไปกว่า น, นั้นมันมีความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากกว่านี้อีกเยอะเพราะว่านี่ความผิดพลาดในเรื่องการประกวดนี่นก็ไม่มีใครตายไม่มีไม่ไม่ได้เป็นเหตุให้ใครตาย มันมีความผิดพลาดอีกเยอะเที่มันทำให้คนผู้คนล้มตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรมากเพียงแต่ว่ามีบางคนเสียความรู้สึกนะ mm. เช่นนางงามโคลอมเบียหรือว่าคนในประเทศนั้น อุตสาห์เดีใจเสร็จ แ, แล้วก็มาพบว่าไม่ใช่มันมีความเสียหายมันมีความผิดพลาดที่ร้ายแรงกว่านี้เยอะในทรร น, นดีกันเวลาเราทำอะไรผิดพลาดจนถึงขั้นหน้าอายหรือหน้าแตกนะเช่นบางทีไม่หลุดซิปหรือบางทีซิปแตกหรือบางที ทำอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปเผลอพูดไปนะซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนหัวเราะนะชวนให้รู้สึกอับอายบางทีเรานึกลองนึกถึงพิธีกรคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าโอ้โหดีนะที่เราไม่ได้ เจอแบบเขานี่ไอความผิดพลาดของเราก็มีรู้กันไม่กี่คนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรไม่มีอะไรเสียหายมากนอกจากเราเสียหน้าไม่เหมือนกับความผิดผพลาดพฤติการคนนี้นะส v e ฟ้าวีโอมัน ความผิดพลาดเรามันเป็นเรื่องจิ๊จ่อยมาเมื่อเทียบความผิดพลาดเขาต่อหน้าผู้คนเป็นล้านๆแล้วก็ในงานที่สำคัญนี่ยขณะเดียกันอย่างที่บอกแม้ว่าความผิดพลาดเขาจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าจริงๆก็มีอะไรที่หลแรงกว่านั้นเยอะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อไป ความผิดพลาดทำให้บาดเจ็บล้มตายนะความผิดพลาดที่ไม่สามารถจะแก้ไขแก้คืนได้อย่างไรนี้นี่เขายังมีโอกาสมาขอโทษ น, นะว่าความผิดเขาผิดไปแล้วลองลึกภ้าเถอว่าเกิดประกาศผิดไปแล้วแล้วก็พิธีก็จบแล้วงานจบแล้วแล้วเพิ่งมารู้ว่ า, าผิดนะ โอ้ยตอนนี้มันมันเสียหายร้ายแรงมากที่จริงถ้าเรามานึกใคร์ควรวนหน่อยนะว่าไอ้ความผิดพลาดของพิธีกรนี่มันเกิดจากอะไรบ้างนอกจากความเผลอแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะเกิดจากการที่ใจเนี่ยมันใจของพิธีกรเนี่ยคงมีอาจจะเชียว นางงามโคลอมเบียอยู่ลึกๆนะใจมันชอบใจมันอยากจะให้เขาได้เป็นนางงามมันมีฉันทากตินะนั่นพออ่านพออ่านโพยเนี่ยมันก็อ่านผิดได้นะเราเคยแบบนะียพอมันมีใจมันมันมีความชอบความชังสักอย่างเวลามองอะไรเวลาเห็นอะไรมันก็มันก็เห็นอย่างที่ชอบอย่างที่ชังนั้นนะ หรือเวลาได้ยินนะเวลาเรามีความคิดอะไรล่วงหน้าโดยมีความชอบความชังอยู่แล้วเนี่ยพอได้ยินใครพูดนี่มันก็ตีความเป็นว่าได้ยินอย่างที่เราอยากจะได้ยินอคติคนนี่มันมันมีอํานาจมากนะนึกอะไรอยู่ในใจ ไอสิ่งที่เห็นสิ่งที่หยินมก็ตีความไม่เข้ากับสิ่งที่นึกอยู่ตล น, นนี้รวมไปถึงเรื่องความกลัว้วนะกลัวผีกลัวงูกลัวอะไรต่ออะไรกลัวผีได้ยินเสียงกลุกกักอะไรก็ก็นึกว่าผีแล้วทั้งที่อาจจะเป็นเสียงใบไม้เสียงลมเสียงหนูกลัวงูนี่พอเห็นลากไม้ กลางค่กลางคืนหรือว่ากลางวันก็แล้วแต่เนีก็เห็นเป็นเห็นเป็นงูได้อันนี้เรียกว่าสังขาปปรเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหรือว่าสังขารไปปรุงแต่งวิญญาณในปฏิจจสุบา่าวิมิตตอเนี่ยวิชาเป็นปัจจัยสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณปัจจัยชนิดไม่ได้หมายถว่าทําให้เกิดอย่างเดียวจะหมายถึงว่าทรงอิทธิพลก็ได้สังขารคือความคิดปรุงแต่ง มันก็มีที่ผลต่อการรับรู้งั้นควเราถ้ามีอะไรมีอคติอยู่ในใจนี่ไอการรับรู้มันก็บิดเบี้ยวได้นึกอะไรอยู่ในใจก็จะเห็นเขาอย่างที่เรานึกอย่างที่เรา เราคาดการเอาไว้เราต้องรู้ทันความสิ่งที่มันอยู่ในใจเราจะเป็นความคิดความชอบความชังก็แล้วแต่เพราะถ้าเรามีไอ้ตัวนี้อยู่ในใจเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็ตีความไปอย่างที่เรารับรู้ อ, อย่างที่เราคาดคิด หรือว่านึกอยู่ในใจนะเวลามองว่าเวลาเวลาคิดว่าเขาเขาไม่ชอบเราเวลาเราคิดว่าคนนี้ไม่ชอบเราพอใค่พูดอะไรพอก็าพูดอะไรามาเราก็จะก็จะตีความเลยว่าเขากำลังประชดเรา ใมบางทีเขาขอบคุณเราก็าชมเราก็าหาว่าเขาประชดหาว่าเขามีเจตนาไม่ดีในทำนองเดียวกันถ้าเกิดมีฉันทากตินะก็เวลาได้ยินได้ฟังอะไรมันก็จะตีความให้เห็นว่าเออเขาดีเขาเขาน่ารัก อย่างนายสตีฟาวีนี่แกเดาๆว่าแกก็คงจะใจแกคงจะเชียร์ให้ครับหรือแกคงคิดว่าเนี่ยโคราเบียนน่าจะได้รางวัลน่าจะได้ตําแหน่งนางงามจักรวาลพออ่านโพยไปมันก็เลยอ่านว่าเขาได้ตําแหน่งนี้ทั้งที่ข้อความในในโพยในบัตรเนี่ยมันชัดเลยนะ แต่ถึงแม้ว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคตินี่อะไรเพ่งแต่ว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความบางทีพอคนเราแก่ตัวลงไอ้สมองนี่มันความจํามันเริ่มแย่น้ความผิดพลาดบางอย่างมันมันไม่ได้เกิดจากอคติหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันมีปัญหาแล้ว พวเอาไซเมอร์เนี่ยบางทีมันนึกอะไรไม่ออกก็มีนะอย่างในหนังหนังที่เราเคยดูสติลอลิสเนี่ยอาจารย์ศาสตราอาจารย์ชื่อดังมาบรรยายต่อนหน้าผู้คนบรรยายไปบรรยายไปสะดุดเลยนึกคำไม่ออกนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกต่อนหน้าคนเป็นเป็นร้อยเป็นพัน ในแบบนี้ก็ต้องทําใจแล้วล่ะแล้วนะคนเรานี่พอพอเราพอสังคารมันร่วงโรยนะมันก็จะมีเรื่องแบบนี้แหละยิ่งพอเจ็บพอป่วยแล้วเนี่ยมันก็ก็จะมีอาการที่เราจะรู้สึกอับอายนะเพราะว่าจะไม่ทํากันในอย่างปกติเช่นป่วยจนกระทั่ง อวัยวะควบคุมการถับถ่ายเสียไปอุจจาระปัสสาวะมันก็ออกมาเองพอแก่ก็พอป่วยก็ก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนทำใจไม่ได้ก็อายนะอายวิยตก่อนนี่ฉันสุภาพเรียบร้อยมีทุกอย่างเนี๊ยบไปหมดพอป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายนี่ มันก็ฉี่ออกมาเองก็ขี้ออกมาเองคุมไม่ได้บางคนก็ทนไม่ได้นะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีร่างกายมันคุมอะไรไม่ได้ทุกอย่างทําอะไรที่ไม่น่าดูบางคนก็อยากตายนะแต่ก่อนนี่เนียบทุกอย่างนะสวยหลอ่อแต่พอป่วยนี่ร่างกาย หน้าตาก็ดูไม่ได้กระเซาอรกระเซิง้วขับจะขายก็ไม่ก็ทำไม่ได้เหมือนเหมือนเคยถ้าเป็นถ้าเราเข้าใจว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องก็งไม่ได้ต้องอับอายนะ มันก็เป็นอย่างนั้นเองหน้าที่ของเราคือว่าอยู่ให้มันให้มันให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดนะให้ได้เรียนธรรมะนะจากความเจ็กป่วยถ้ามันจะร่างกายเรามันจะทำอะไรที่ไม่น่าจะทำอย่างคนปกตินี่ก็ต้องปล่อยวางแนละ อย่าไปอับอายถ้าจะมีคนมาถ้าเราล้างเช็ดเนื้อเช็ดทำความสะอาดตัวงไม่ได้มีต้องมีคนอื่นมาทำให้ก็ไม่ต้องอายก็จะมาเช็ดตัวอะไรก็ให้เขาทำไปเพราะนี่มันเป็นสังขารประทักใจเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมนะชื่อสุภาพพรแล้วก็ตอนหลังก็มีแผลที่เต้านมเห็นชัด เนื แ, แผลนั้นก็จําเป็นที่จะต้องดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ก็ต้องถอดเสื้อเพราะถ้าใส่เสื้อมันก็จะมอหนองเอออะไรเออมันก็จะไปติดเสื้อก็ถอดถอดเสื้อก็ทําให้คนได้เห็นแผลของเธอแต่เธอก็ว่าเธอก็ไม่สูอ่อมปภยตั้องที่เคยเป็นคนรักสวยรักงามก็ถือว่าเป็นการปล่อยวาง ปล่อยวางสังขาร น, นะแต่ก่อนเคยไปยึดติดสังขารมันต้องสวยต้องงามแต่ตอนนี้สังขารไม่สวยไม่งามก็ดีก็ปล่อยไปแ ม, มันไม่ใช่ของเราแล้วก็ถือโอกาสให้คนได้ดูด้วยว่าสังขารร่างกายเป็นอสุภะถือเป็นอุปกรณ์สอนธรรมนะอย่างหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเธอว่าทําใจทําใจยอมรับได้ก็สกัดสภาพ ในเมื่อมันไม่สวยไม่งามก็ไม่ต้องปฏิเสธนะก็ยอมรับมันเพราะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วใเรื่องการทําใจในยามที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าสังขารร่างกายไม่อํานวยหรือเป็นเพราะมันไม่สามารถจะทําได้ทํางานได้ปกติสําคัญมากไม่มัน้นจะทุกขนะ์นะทุกข์กายยังทุกข์ใจ ปล่อยให้สังขารแต่ถ้าเกิดระวังใจได้ปล่อยสังขารมันทํางานมันมันแสดงตัวของมันไปก็ถ้ามีคนช่วยดูแลให้มันเรียบร้อยก็ก็ดีไปก็ต้องขอบคุณเขาที่มาช่วยดูแลให้มันเรียบร้อยอัลโชาวนี้กับเพืเ่านนี้นะ